ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องพระสูตรในสังยุตติายอีกเช่นเคยวันก่อนเราพูดมาในช่วงที่เรียกว่าสังกาธรครคสังยุตติายก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทวดาทั้งหลาย แต่ว่าในช่วงต่อไปก็คงเป็นสกาตะวักนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนวักคือวัคที่สองเป็นวิธีการเรียงพระใจบิดก็คือท่านจะเรียงไปเป็นหมวดหมวดแต่ละหมวดก็เรียกว่าวักหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพระสูตรประมาณสักสิสูตรหรือสิบกว่าประสูตรก็แล้วแต่ แต่ในกรณีคองสังยุตติกายนีทั้งหมดก็มีตั้งเจ็ดพันกว่าสูตรนะแะ้นก็มีประสูตรแตละวักก็หลายสูตรแต่การที่จัดเป็นวักอย่างนี้ที่จรงิงมันก็หาข้อยุติอะไรไม่คยได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าวักแรกเขาเรียกว่าโอค่ารัตนาวักคือวักที่ว่าโดยการข้ามโอคะ ซึ่งก็เน้นไปที่พระสูต์แรกจะเป็นการพูดเรื่องการข้ามโอคะของพระพุทธเจ้าวันวักนี้ก็เหมือนกันเรียกว่านันทวักเนี่ยวัดโดยวักที่เกี่ยวข้องกับนันทวันซึ่งเป็นสวนเป็นอุทยานในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีข้อความว่า พระบูมีพระภาคเจ้าเร่ประทับอยู่ที่ประเชศตะวันนั่นเองก็ได้สั่งเรียกประสงค์มาแล้วก็ท่านทัง้งหลายก็กราบทูลรับออกมาไปชุมกันแล้พระเจ้าก็รับสั่งว่าได้เคยมีเรื่องมาแล้วคือเทวดาชันดาวดึงองค์หนึ่งแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสศร เออบิมพรั่งพร้อมด้วยเบญจา ก, การรมคุณอันเป็นชิพพวกนางอภสอรษรบำเรออยู่ในสวนนันทวันได้กล่าวกถานี้ในเวลานั้นก็หมายความมาเป็นเรื่องเล่ า, เาซึ่งนานมาแล้วได้เคยพูดเรื่องทชัชกสูตรที่ว่าโดยสูตรเป็นยอดของทงเป็นการประรบถึง เทวสุนทรสงครามคือการรบระหว่างพวกเทวดาการสูนรก็<ล>เกี่ยวเนื่องกับสวรรค์ชั้นนี้ด้วยแหละก็<ล>เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าส่งประรบเขาเรียกว่าอัตตชาสยา<ล>คือเกิดขึ้นด้วยอัตยาัยของพระพุทธองค์เองที่มีพระประสงค์จะส่งแสดงเรื่องนี้ลแล้วก็รับสั่งเล่าขึ้นต้นด้วยคําว่า ภูตะบุบังพิกเวเดวาสุระสังกาโมสมุปปบยุนโฮโฮสิก็เรื่องเคยมีมาแล้วพิสูจน์ทั้งหลายในการทำสงครามกันระว่างเทวดาการสูญก็รับสั่งเล่าไปแล้วก็ถึงวิธีการป้องกันความหวาดสะดุง้งจากนั้นก็จะหักมุมลงมาพูดถึงเรื่องของพระโดยเฉพาะ เวลาอยู่ในป่าเกิดความหวาดสะดุง้งเกิดกลัวเกิดอาการขนพองสยองกล้าวขึ้นมาเนี่ยทายัางไงแล้วก็ส่งแนะให้ระลึกถึงคุณพระตนทรัรยคือพระพุทธเจ้าพระทรมประสงค์ไปตามลําดับเช่นว่าลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่หายกลัวก็เปลี่ยนเป็นพระทรบระลึกประรรมยังไม่หายกลัวก็จะเปลี่ยนเป็นประสงค์ซึ่งก็หมายความว่าต้องหายกลัวในที่ใดที่หนึ่งในสามที่นี่แหละ ที่เราจะเห็นว่าเอาก็จริงพุทธานุภาพมันก็เหนือกว่าอนุภาพอื่นก็พอเรารำลึกขึ้นจริงๆแม้แต่นโมตสะระหังสมาสมุทโหรือแม้แต่อิติปิโสภะกวาถ้าเรามีความเชื่อมั่นมันก็ทำจิตใจให้สงบได้ก็อุทยานนันทวันเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่า ในพระสูตรนี้จะผูกพันเรื่องเทวดาชั้นดาวดึงดาวดึงนี่เรียกว่าตาวติงสักกายคือเป็นที่บังเกิดของเทวดาสามสิบสามองค์ก็เป็นตำนานที่เขาเรียกว่าเทพประการณำ เป็นเรื่องเล่าในตำนานที่เกี่ยวกับเทพเจ้าซึ่งถ้าเรามองกันโดยเหตุผลก็แสดงว่าสวรรค์ชั้นนี้อาจจะชื่ออย่างอื่นเช่นเคยได้ยินว่าชื่อสุทัศน์หรือว่าชื่ออะไรต่างๆหรือแม้แต่อายุทยาที่เราเอาอมาเรียกอยุทยาก็เป็นชื่อสวรรค์ชั้นนี้แต่ว่าในยุคสมัยพุทธกาล ก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเหตุที่เรกเช่นนั้นก็เพราะว่ามีเทวดาเกิดขึ้นสาบสามรูปสามสิามตนนะฮะเทวดาเขาเรียกว่าตนเกิดขึ้นมาก่อนเป็นใจความโดยสรุปนะว่าแต่ก่อนเนี้ยสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นที่อาศัยอยู่ของอสูรชื่อวเวยปยิติอสูร แล้วในการต่อมาเมื่อมนุษย์คนหนึ่งแห่งหมู่บ้านอาจจะละคามาก็ในแควนมะขแควนอังคานะฮะแควนอังคาอังคามะขเนี่ยนะก็มันเป็นยุคสมัยที่ไม่มีไม่มีพระพุทธศาสนาแต่ว่อย่างที่พูกระทันผู้ฟังเนี่ยว่า คือโลกจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาเนี่ยไม่สำคัญน่คือคนจะมีคนดีคนชั่วอยู่ตลอดบนเส้นทางของโลกเพื่อการทำดีทำชั่วของคนมันก็ทำอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยแหละเพียงแต่ว่าทำอย่างสูงสุดเนี่ยไปถึงไหนท่านั้นเองนะเราเห็นว่าในก่อพุทธสมัย ก่อนพระพุทธเจ้าจะสัสรู้ความเพียรพยายามกา ร, รบัติพัฒนาจิตของคนยุคนั้นก็ไปถึงอรูปฌานสี่ก็เรียกว่าเข้าสมาบัติแดได้เข้านิโรธสมาบัติได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าก็ยังต้องมุนบุนอยู่ในสงสารวัติเพราะาคือศาสนาเนี่ยมันเกิดทีหลัง เกิดที่หลังมนุษย์แล้วเกิดที่หลังธรรมะธรรมะเขก็มีอยู่ก่อนธรรมะว่ากันตามความจริงพูดภาษาไทยง่ายๆมันก็เป็นจิตสํานึกของมนุษย์เพียงแต่ว่าเราเข้าถึงได้ไม่เต็มยศเต็มหน่วยเท่านั้นเองแต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องอาศัยการสรูปของพระพุทธเจา้าชีน้นําความถูกต้องให้ คมคเ ม, มนุษย์เนี่ยแกมีพัญญาอยู่สี่คนชื่อสุธรรมาสุจิตาสุนันทาและก็สุชาดาอีกสามคนเนี่ยไม่ใช่เป็นญาติแต่ว่าเป็นพัญญานั้นสุชาดานั้นเป็นญาติด้วยแล้วก็เป็นพัญญา ด, ด้วยมาขมนุษย์เป็นคนมีอัจยาสัยดีงาม เห็นความเดือดร้อนต่างๆของชาวบ้านในที่ต่างๆก็เรียกว่าเป็นสังคมยุคเกษตรกรรมเห็นว่าตรงไหนมันรกท่านก็ไปช่วยถางให้มันเตียนเพื่อคนจะได้ไปยืนจับกลุ่มคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเปรากฏว่าคนยินดีใช้บริการตรงนั้นกันมาก คนมาพบเห็นข้าวท่านก็บอกว่ากำลังสร้างทางไปสวรค์ก็มีคนกลุ่มหนึ่งะนะที่เขามีบารมีพอสมควรเขาก็เห็นด้วยแล้วสุดก็ช่วยกันสร้างเป็ปนลูกถนนนนทางแต่ก็คิดไปเรื่อยนะคือจิตพยินดีในกุศลแล้วมันคิดไปได้เรื่อ ย, อยมันมีบุญกุศลที่ให้เราทำได้เยอะ อย่างที่ศูนย์ส่งเสริมศาสนาดําเนินการก็แต่ก่อนก็จะคิดไปแจกเรื่องกับปราหารอย่างที่เขาแจกกันเนี่ยแต่ว่าพอประสานไปในเขตพื้นที่ดูโดยเฉพาะเรามองไปที่วัดนะเราไม่มีกําลังอะไรมากท่านก็บอกว่าที่มันยุ่งไปแล้วเนี่ยคือไม่มีเรือไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้ เมื่อก็ตกลงก็าหารเรือไปแจกตามวัดต่างๆจังหวัดหนึ่งก็ตกประมาณร่วมๆสี่สิบลำแต่ตอนนี้ก็กำลังเปิดรับบริจาคต่อไปและพอเราได้ความคิดเราก็ทำอะไรอีกเยอะนะฮะญาติโยมทั้งหลายก็เข้ามาสมทบเป็นพววเข้าปลาเป็นน้าหาร เป็นอาหารสำเร็จรูปเป็นอะไรเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าอะไรก็ตามก็เันเป็นแถวก็แสดงว่ากุศลและเจตนาพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดึงกุศลเหล่าอื่นเข้ามาพอมาคข้ามนบจริจริงมาเริ่มต้นจริงๆเนี่ยต้องการจะถางเพียงพื้นที่และนั้นเองแต่พอเห็นว่าแล้วความสนใจจากคนแล้วก็ ก็รู้สึกสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนให้มีที่พักผ่อนมีที่ตั้งวงสนทนาการคุยกันยืนคุยกันไปกระานถน น, น, น, น, นระส้านถนนแล้วคนตั้งส3สาคนเนี่ยนะนะมันก็คิดกันว่าเอ๊ะคนเดินทางเนี่ยถ้าเข้ามาถึงแถวนี้กลางคืนน่จะทำยังไงถ้าก็เหนื่อยมาเนี่ยก็จะทำยังไง กาจะพักผ่อนเอาเราสร้างศาลากันคนสักหลังหนึ่งโดยใช้ความกว้างของศาลาโดยอาศัยแผ่นกระดานขนาดใหญ่ส3ส า, าแผน่นแล้วก็เสียงถ่ายกันในทำานองว่าแค่เขามาพนั่งพักในกระดานของใครคนนั้นจะเป็นเจ้าภาพรับเลี้ยงดูดรื่ อ, อาหาร แล้วก็ที่หลับนอนเพื่อรอเดินทางในวันรุ่งขึ้นพญานางสุธรรมมาไปคิดว่าเอเขาสร้างสระไ อ, อ้แม่ใายเขาสร้างสาราเนี่ยมันควรจะมีช่อฟ้ามันจะเกิดสวยงามก็เลยแต่ก่อนเนี่ยที่จริงจะมาขอทำบุญร่วมด้วยแต่พวกนี้มันบารมีมันไปแต่เรื่องบารมีไปเนี่ยก็ เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดนะฮ ค, คือหมายความว่าความโน้มเอียงภายในจิตใจของทั้งสามสิบสามท่านเนี่ยไม่พอจะยินดีในเรื่องกามคุณคือไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับเพศผู้หญิงแะบก็แสดงว่าความโน้มเอียงทางใจไปเยอะมากนะฮะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ทางฝั่งของนึกออกที่นานมาแล้วเหมือนกันเคยเล่าเรื่อง ตอนสุมเม็ดดำบทตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าผงคใดผง์หนึ่งในอนาคตแทบบาทรมูลของพระพุทธเจ้าสุขนามบัติปังกรในรมามนครอุปนาในมันไกลมากพอพระเจ้าพอพระพุทธเจ้าที่ปังกรทรงทำมายให้ราชฎรซึ่งเตรียมจะมาเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้า แล้วก็มาคว่างทมในสนาพระติบปังกรพุทธเจ้าเนะี่ยมันถูกเทวบุตรมาณดลใจให้ไปตั้งความปรารถนา เ, นพเพื่อจะขอไปบังเกิดพบศาสนาของพระสัมมาณะโคดลมพุทธเจ้าซึ่งจะต้องเสี่ยงอยู่ในสังสารวัฏอีกสี่แสนสงขายกระแสกับนั่นคือใครเรียกว่าตัณหาที่เป็นผู้กระสิบใจ เรา อ, อาจจะพูดว่าเป็นกิเลสสมารหรืออาจจะพูดว่าเทปุตรมานก็ตามแหละคือว่าพวกนี้มันเป็นได้ทั้งนั้นเนี่ยคนโรนี้แสดงว่าเอาก็ถึงนี่จุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดเบื่อหน่ายคือไม่ต้องการในเรื่องเพศแต่ว่าไอช่างไม้เนี่ยก็พยายามอธิบายให้เกิดความเข้าใจเขาก็ไม่ยอมอ่ะี่ตอนแรก นางสุธมาแกสลาดแก็บจ้างพิเศษให้สร้างเป็นรูปของช่าฟ้าพอสร้างเสร็จเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเรียบร้อยแล้วยังเขาบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่มีเช่าฟ้าก็ตกลงว่าจะให้ทำเช่อฟ้าต่อไปก็อปอบอกว่าทำเนี่ยต้องอาศัยไม้สดไม้แห้งไม้สดทาไม่ได้ อย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาบ้านไหนเขามีเนี่ยไปซื้อเขาหรือถ้าเขาไม่ปรารถนาจะขายเนี่ยก็ให้เขาทำบุญร่วมกันกันแล้วกันก่อนในที่สุดนางสุธรรมา ก, ก็เสนอให้เพราะนี้ก็ไม่ยอมเนี่ยตอนแรกก็อธิบายที่แจงกันก็ยอม พยอนางสุท น, นานางสุนันทาเนี่ยเขาก็เออว่าคนก็มาพักศาลาเนี่ยมันควรจะได้อาบน้ำอาบทาให้สบายเนื้อสบายตัวได้อาบได้ดืม่มแล้วก็พักผ่อนบนศาลาเลยก็ให้ขุดสากทีนี้นางสุจิตราก็เห็นว่าเออคนก็มาพักก็ามาอาบน้ําอาบทาพักผ่อนหย่อนใจสบายแล้วน่าจะมีอุทยานที่มีดอกไม้หลากหลาย ให้คนเดินชมกันให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานเราก็สร้างสวนขึ้นมาทีนี้นางสุจดาเนี่ยท่านคิดอีกแบบหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ถึงก็ยินดีในการทำบุญรอกแต่ว่าเธอไปคิดว่ามาข้ามนบเนี่ยนอกจากจะเป็นญาติกันห่างๆแล้วยังเป็นสามีด้วย ผลบุญกุศลใดที่สามีทำมก็ต้องถึงในบพัญญาตอนแก่เลยไม่สนใจที่จะทําอะไรแล้วก็ในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งก็เธอก็อุตสาแต่งเนื้อแต่งตัวทําให้สวยงามเพื่อก็ผู้ชายคนเดียวผู้หญิงสี่คนนี่ะนะฮะก็แย่างผู้ชายกันแต่ในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็ต่างคนต่าก็ตายไป ก็เป็นโอปปาติกะคือตายปับก็เกิดปุ๊บไปบังเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงครบชุดนะฮะในชัางก็กลายเป็นเวิเศกรรมเทพบุตรช้างที่ใช้ลากไม้เนี่ยก็กลายเป็นเอราวัณเทพบุตรช้างเอราวัณ น, นะฮะมาฆมานุก็กลายเป็นเท้าสากัดเทวราชคือเป็นจอมเทพนอกนั้นก็เป็นเทพบริวาร ซึ่งท่านูฟังเคยได่เคยอ่านเรื่องรามเกียรติ์คงนึกออกนะฮะการพัฒ น, นาความยิ่งใหญ่ของช้างเอราวันที่อินทรชิตปลอมมาเป็นเป็นพระจันทร์อปิ น, เ ป, นเป็นพระอินทร์เพื่อมาหลอกพระรามเนี่ยก็ว่าสิยศร้อยสวยงามมากใหญ่โตมากไม่รู้จะเดินยังไงเมื่อกันนึกไม่ออกแล้วก็ พระสกัตรวจสอบดูพันยาหายไปคนหนึ่งเอไปเกิดที่ไหนปรากฏว่าไปเกิดเป็นนางนกย่างอยู่ท่านก็คิดที่จะไปนำกลับมาให้เกิดเป็นเทพทธิดาก็ไปทดสอบแล้วปรากฏตัวบอกกล่าวให้ฟังแล้วก็นำเพื่อนๆ น, นางสุสธรรมาสุจิตาสุรันทา น, นี่ซึ่งก็เป็นเพื่อนกันมา มาถึงท่านก็ทําให้ระลึกชาติได้นางสุจาดาก็เกิดสํานึกเสียใจท ต, ตกะก็แนะนำให้รักษาศีลห้าแล้วก็ผ่านการทดสอบมาจนในที่สุดรักษาศีลหไม่ฆ่าสัตว์นะฮะไม่กินสัตว์เป็นก็อยู่ไม่ได้เท่าไรก็ตายแต่ว่าตายด้วยศีลที่บริสุทธิ์พอตายแล้วก็ไปบังเกิดเป็นธิดาข้าในชางหม้อก็เพื่อแม่เธอต้องทาําบาปทตกะเทวราชก็มา เอาทรัพย์สินเงินทองมาให้อย่างดูชีวิตบำเพ็ญบุญกุศลไปถึงจุดต่อไปก็ประบังเกิดเป็นเทพเป็นธิดาของเวทปฏิอสูรต่นี้ตอนนั้นน่ะที่จริงเวลามันก็ห่างกันแล้วคือเวทปฏิอสูรมันไปสัมพันธ์กับการกวนกเกษียณสมุรของเทวดาซึ่งปรารถนาที่จะไม่ตัวเองต้องตายเนี่ย แล้วก็ชักชวนกันบรรดาทวยเทพทั้งหลายรวมทั้งอาศูนย์ด้วยเนี่ยก็ชักชวนกันว่ากวนกเกษียนสมุดโดยใช้วิธีแบบคล้ายๆกับโมแป้งนะ mm hmm. เกี่ยกภูเขาลูกหนึ่งวางไว้บทลูกหนึ่งแล้วก็ใช้พญานาคเนี่ยเป็นเชือกดึงทำให้เขามันหมุน แล้วก็มีการหลอมละลายของพวกแร่ธาตุของพวกเภสัตว์ทั้งหลายจนเกิดเป็นน้ำเอมารึดขึ้นมาแต่ปะยานาคเนี่ยมันก็จะปวดแต่นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอแลวก็พ่นพิษลงไปในสระในน้ำอามฤรืดเนี่ยต่อสักเทาพระวิษณุไปเห็นข้าวก็ตกใจ แลวก็ไปรีบกินแท้่างก็ถูกพิษพญานาคไม่เอาพระสอดำแล้วก็มีตำนานเลยไปจนถึงตำนานดาวนพเคราะห์ทั้งหลายตอนนี้เหตุการณ์ตอนนี้ทั้งนั้นแหละที่เราหูทะเลาะกับพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยก็ตรง น, นี้ทั้งนั้นแหละอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นตำนานเขาเรียกว่าเทพปการน้ม พอได้ดื่มน้ำอามฤาตแล้วเนี่ ย, ยก็ราหูมาแอบดื่มเส ก, ก่อนประจัน์เห็นข้าวก็กระซิบบอกปัญหายหรปรญหายรก็คว้างดอจักราหูก็ขาดเป็นสองท่อน่อนหนึ่งก็กลายเป็นโลกตอนหนึ่งก็กลายเป็นดาวพระเกตถูกปรดจากธรรมเนียบ เราเลิกไปแล้วก่อนนี้ก็สรุปวเป็นํำนานความเชื่อแบบอินเดียนะฮะก็อยู่ในระดับอันตกถาแต่ก็เล่าเป็นํำนานแต่ว่าสังคมไทยค่อนข้างรับไปเยอะเพราะว่ามันไปแทรกซึมอยู่เยอะมากนะฮะตรงนี้เรื่องเรื่องเทพเจ้ากวนกระเสียนสมุทยไปแทรกซึมในวิธี สังคมไทยในวาทําไทยในปฏิมากรรมเมจิตกรรมตลอดถึงคติความเชื่อการสักการบูชาเทพเจ้าแม้ในปัจจุบันยิ่งหนักกว่าเดิมเสีอีกนะฮะปัจจุบันยิ่งมากกว่าเดิมเสีอีกก็มีการฉลองกันในนี้ท้าสั ก, กะกับบริวารก็เห็นว่า เป็นเทวดาก็เป็นเทวดานะแต่ปกครองอสูรไม่ใช่สนุกนะเพราะนั้นก็มอมเมาอสูรเสร็จเต็มที่เลยพอสูรเมาเต็มที่ก็เทวดาก็ชวนกันช่วยจับโยนลงไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ววางเราสังเกตฮนะพิทาให้ความคิดแนวสวรรค์ชั้นดาวดึงของของพรามเนี่ย แล้วก็กลายมาเป็นเรื่องรามเกียรตลอดถึงมากลายเป็นเรื่องหมาภาตรัตยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นว่าภูเขาดาวดึงอเมชาสวรรค์ชั้นดาวดึงของเขาก็คือสวรรค์คือยอดเขายอดเอเวเรต์อะยอดไกรลาสยอดไกรลาสกิรีเป็นที่สถิตของพระสยมภูวยานบ้างพระอิศวนบ้างนะก็แล้วแต่จะเรียก แต่ก่อนโบราณเนี่ยเขาเรียกาทาัศ ก, กะแต่ว่าสมัยนี้แต่หมายพูดที่หลังเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของทระสยมภูญาณไปก็คือก็คือพระอิศวนนั่นเองพระอิศวนก็คือพระศิวะนั่นเองแล้วก็ประโยชน์ไปแล้วเนี่ยพวกนี้มันไม่ตายเนี่ยฮะมันมกินน้าทิก็เลยก็มีวิมานรองรับอยู่ใต้ยอดเขาพระสุมเมน มีต้นไม้ที่เราเรียกว่าเป็นต้นปาริสัตมีกลิ่นหอมพอถึงดอกปาริสัตบานเนี่ยทำให้เวปปิจิตียศูนย์แค้นทัศกาเนี่ยที่จับโยนด้วยแล้วก็มาถึงมาชกเอานางสุชาดาซึ่งเป็นธิดาของตัวเองไปด้วยพอตากระลุกเขยก็เลยรบเอาเรื่องเก่ามาทะเลาะ ก, กันสองเรื่องนะฮะ เรื่องทินที่อยู่กับเรื่องผู้หญิงมนุษย์เทวดามก็อย่างเงี้ยมาตะเภาเดียวกันไม่เค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไรหรอกคือเราพูดถึงเรามาวิเคราะห์มาถึงหลักเหตุหลักผลหลักของธรรมะซึ่งกับค่าของชีวิตเนี่ยมนุษย์มันน่าจะใช้ชีวิตได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็เอาดีไม่ค่อยได้อะ อันนี้ก็ทําให้เกิดว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะท่านฝังลองสังเกตนะว่าศาลาที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์มันก็กลายเป็นธรรมสภาเรียกว่าสุธรรมาธรรมสภาไปศาที่สร้างในโลกมนุษย์มันก็กลายเป็นสานันทวัน แล้วก็สวนที่สร้างในโลกมนุษย์มันก็เป็นกลายเป็นสวนจิตรดาก็เป็นไปได้ไหมที่มันเป็นเหตุให้คนคนจีนนี่เชื่อเรื่องพิธีทํากงเต็ก ค, คือเผาของอะไรต่อไรแล้วมันไปเกิดรออยู่ในสถานที่นั้นเพรอ่อนตะมอมในแนวของอัตตากถาของเราเนี่ยมันก็มีแนวลักษณะนี้อยู่เยอะ หมายความว่าคนถวายเช่นนันทิยะมานบถวายสาลาจตรมุกแก่พระพุทธเจ้าที่อิสิป ต, ตนามริกฐายวันในวันฉลองนะ่ะมันเกิดวิมานทิ่รอคอยนันทิยะมานบแต่ปรากฏในพระสูตรเนี่ยก็เรียกวิมานวัตถุเขาเรียกว่า เ, เรวตีวิมาน ก็เรื่องยาวนกันแต่นั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดรองรับแล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์คือนานมาแล้วอุบาสิกาถนอมเป็นอุบาสิกาที่วัดบุพพารามเองแต่ตอนนี้ท่านก็สิ้นไปแล้วคือตอนสาวใท่านท่านไม่ยอมไม่ยอมตักบาท เราไม่ยอมไหว้พระมันไปได้ความเชื่อความเชื่ออย่างหนึ่งคือมีผู้หญิงรุ่นหนึ่งเนี่ยก็รุ่นคุณยาคยคุณย่าไปแล้วโบราณไปแล้วนะเออมันเชื่อว่าถ้าไปไหว้พระนะจะพระรูปนั้นน่ยจะศึกมาเป็นสามีแล้วก็เลยไม่ไหว้พระแล้วก็ไม่ยอมทาบุญวันหนึ่งแม่มีความจำเป็นจะต้องไปนอกบ้าน แต่ว่าเตรียมหารตักบาทรไว้แล้วเราก็สั่งลูกสาวหุงข้าวไปเสร็จบอกว่าเวลาพระมานี่ให้ตักข้าวไปใส่บาทกลับนะแม่เตรียมไว้แล้วก็มีปลาทู ก, กับกล้วยกล้วยน้ำว้าสามลูกแกก็นั่งภาวนาให้แม่มาก่อนพระมาแต่๋ยวพุทธทาก็ปรากฏว่าพระมา ก, ก่อน แกก็จำเป็นเอาอไปตักข้าวแล้วก็ไปหยิบปลาทูที่แม่เก็บเอาไว้พอดีกล้วยเนี่ยมันมีหนูไปกินแค่หน่อยน่งแกก็มีตัดต ก, ตกลงว่ากลายเป็นผลกล้วยผลครึ่งแล้วก็ตักบาดต่อมาก็ไม่ได้ทำอะไรอีกอะ่ะแม่ก็ตายไปไม่นานท่านก็ป่วย ป่วยหนักแล้วก็สลบไปนะฮะก่อนสลบลึกๆไปก็ปรากฏในที่อยู่ของแม่แต่รู้สึกมันสะดวสบายมันสุขมากสงบมากมันก็เหมือนก็เมืองเมืองนึงอะ่ะแต่ว่าแม่สวยแม่เป็นสาวแล้วก็สวยแล้วก็มีอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ที่กินอะไรๆอุดมสมบูรณ์หมดครับแกป่วยมสามวันนี่กินอะไรไม่ได้มันก็ เอ็นบาไปเจอแม่ก็คุยกันแต่แม่ก็ไม่ชวนใะห้กินอะไรเลยแกก็ถือว่าลูกเนี่ยก็หยิบกินเลยก็หยิบไม่ได้แม่ก็บอกว่าถนอมอันนี้ไม่ใช่ของลูกลู ก, กินไม่ได้หรอกแม่ก็ให้ไม่ได้ด้วยนะของลูกก็อยู่ข้างในให้ไปหยิบตัวแกเข้าไปดูเนี่ยไปเจอ ข้าวหนึ่งขันเหมือนกันเลยกับที่ที่เกตักบาทกับประถูสองตัวกับกล้วยสองผลครึ่งเนี่ยแต่ก็ในความรู้สึกว่าก้ามกลืนกินเข้าไปแต่แล้วก็กลับมาหาแม่แม่ก็อบรมใหญ่เลยทีนี้สั่งสอนให้ประมาทจะต้องพยายามทำบุญจะต้องให้ทานรักษาศีลแต่เราไม่ได้ให้ทานเอาไว้ตายมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ ลูกก็ได้ให้ทานครั้งเดียวมันก็มารับลูกอยู่อย่างนี้แหละก็ในสุดพอพื้นขึ้นมาเนี่ยแกก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำบุญเป็นอุบาสิกาเลยนะแล้วก็ตอนหลังนี่ท่านท่านตอนท่านเล่าในท่านบวชชีแล้วนี่ก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน คือรายละเอียดในในเรื่องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านไม่เล่าพระพุทธเจ้าจะแสดงเหตุส่วนใหญ่แล้วก็จะรับสั่งกว้างๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เหมือนกับพระอาหารหันต์คือพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งกับคนที่รู้เรื่องสวรรค์ละเหตุเกิดในสวรรค์ โดยเฉพาะยิ่งคือสวรรค์นเนี่ยแต่ะคนรู้จักเทพบุตรเทพธิดาตนเหล่านั้นก็รู้จักแต่ว่าเหตุได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยนิตังก็ไม่รู้เพราะพระพพเจ้าจะแสดงตัวเหตุตัวเนี้ยแสดงบุญบุญกุศลต่างๆที่คนเหล่านั้นได้กระทำเลยเป็นเหตุไปเกิดเทวดาเพตอนเรื่องของทศกัณฐ์เทวราชที่ว่าเนี่ยก็ที่จริงไปรับสั่งเล่ารับสั่งเล่าให้เจ้ามหาลิ แข่งฤทธชวีซึ่งเป็นพระสหายกับพระเจ้าประสิทิ์ในกุศลแล้ก็พันธุระเสนาบดีเนี่ยแต่ก็งจสงสัยว่าพระุเจ้ารับสั่งเรื่องท้าศกะบ่อยว่าท้าศกะที่ว่าเนี่ยมันจริงหรือว่าเป็นเรื่องไม่จริงหรือเรื่องสมมติสมมติเอาหรือว่าเป็นตำนานพระเจ้าบอกว่าจริงพระเจ้ารู้จักกระทาศกะแล้วก็พบกันหลายครั้งแล้วแล้วก็รู้ธรรมดึงธรรมให้เป็นท้าสกะ และรู้ถึงอดีตชาติของทาศากะว่าแต่ก่อนเป็นใครนะอยู่ที่ไหนทำบุญกุศลอะไรเอาไว้มาเกิดเป็นทาศากะก็รับสั่งเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเทวดาที่มาเนี่ยท่านก็ไปหลงก่เอเพลินนะฮะคือเทวดาแปลว่าผู้เชี่ยวเล่นด้วยความสนุกสนานเพลิน เพราะอะไรเพราะว่าท่านเขาเรียกว่าสวยทิ่ประยุกตุขมันมีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์พตาห่านะฮะแล้วก็มีอายุวนาสุขภาร ะ, ระก็สรวมแล้วก็เป็นเกแล้วก็อธิบดีคือความเป็นใหญ่รวมแล้วก็เป็นสิบอันนี้คือคือคือเหนือมนุษย์ แต่เราเห็นว่าที่จริงมนุษย์ก็มีรู้เสียงกลิ่นเราสัมผัสเทวดาเขาก็มีแต่เขาเป็นทิพย์แล้วก็อายุวันนาสุขะพระเราก็มีแต่ว่าเทวดาเขายาวอายุเขาก็ยาววันนาเขาก็รุ่งเรืองนะฮะแล้วก็สุขะก็สุขเราก็เทียบเทียบกับเขาไม่ได้ตอนกำลังก็เยอะแล้วก็ความเป็นใหญ่ คือคือแต่ละองค์นี่ยมันมีบริวารแล้วก็เป็นใหญ่ในกรอบในขอบข่ายอย่างที่เคยเล่าว่ามหาเทพในตำนานที่พระเจ้ารักสั่งเล่าเรื่องยอดของธงเนี่ยยอดแห่งธงก็พูดถึงจอมเทพห้าองค์อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในเทพประการณามเนี่ยเราไม่่อยคุ้นคือว่ารุนเทพอิสานเทพประชาบดีเทพแล้วก็ท้าสกัเทว ร, ร, ราช ก็ก็สี่นะฮะไม่ไม่ไม่จะห้าก็คือสี่เป็นจอมเทพเป็นจตุรเทพคือสี่สี่องค์สองค์ด้วยกันก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทีนีเ้เนื่องจากท่านอยู่ในท่ากลางนางอัปปสอเ น, นี่ยแล้วก็เอื้อิีนพรั่งพร้อมไปด้วยเบญกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นทิพย์นางสอนก็บำเรออยู่ในสวนนันทวัน ก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมว่าเทวดาเหล่าใดไม่เห็นมันทวันอันเป็นที่อยู่แห่งหมู่นรเทพสามสิบอ่าจริงจริงสาสบสามนะฮะสผู้มียศเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่รู้จักความสุขอั น, นั้นก็คือคือมนุษย์เนี่ยเมื่อก็ตัดสินจากสัมผัสตรงกับตัวเองนั่นแหละ ก็ทํานองกับเรื่องหนอนก็เทวดาถึงนานมาแล้วที่ทจริงก็เป็นตำนานที่สังคมไทยก็เล่าให้ฟังคือมาตัดสินเอาจากสิ่งที่ตัวได้ตัวมีตัวเป็นวรรเทวดาก็เข้าใจว่านะเข้าใจว่าที่ตัวเองบังเกิดเป็นเทพบุตรสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งถ้าเทียบแล้วก็เป็นสวรรค์ที่ชั้นที่สองเท่านั้นเองนะสวรรค์เขาก็มีหกชั้น ไปนับพรหมโลกก็ไปอีกก็ต่างเยอะรวมแล้วก็เบ็เสร็จก็ส2สบชั้นทา่านก็อยู่ในชั้นที่คือถ้าเรานับเรียงกันมาทั้งหมดนะนับเรียงพวกอบายสี่มนุษย์หนึ่งยาตูมาราชแล้วก็ดาวดึงก็สรุปว่าห้าหเจดนะฮะทา่านก็อยู่อันดับที่8ก็อันดับที่เจ็นะ คืออบายสีมนุษย์หนึ่งเป็นห้าแล้วก็จัตุมาราตก็เป็นหกทั้งก็เป็นเจ็เท่านั้นเองก็ยังอีกเยอะที่สูงกว่าท่านแต่ว่าความกำนัดเพลิดเพลินของของสิ่งมีกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยของสัตว์ที่มีกิเลส ท, ทั้งหลายมันเพลิ น, นอยู่อย่างนั้นน่ตราบใดที่ยังไม่มีตัวเลือกที่ดีขึ้นไปกว่านั้น คลนะ้ายๆกับสุนัขซึ่งอดที่จะดมอุจจาระไม่ได้แต่ถ้าถึงสุนัขระดับที่เขาเลี้ยงดูกันมาดีได้กินแต่อาหารดีๆนะเธอก็ไม่ขว่ายเหมือนกันสรุปว่ามันจะต้องมีการเทียบเคียงคือประสบพบเห็นอะไรเยอะจึงจะตัดสินใจได้เนี่ยตัดสินใจได้ เลยเคยตั้งข้อสังเกตไปรวมเด็กที่จังหวัดอีสานใต้ได้เคยล่าครั้งคือมันเด็กพวกนี้แปลกชอบพูดเรื่องเรื่องแฟนเรื่องคู่รักเรื่องในแวดวงของแกนั่นแหละเลยก็บอกให้แกคิดนะบอกว่าพวกเธอต้องคิดนะความคิดของพวกเธอเนะี่ยเหมือนนิยายน้ำเน่าที่มันพูดกันนี่หละ ก็อยู่กันคนละฝั่งคลองอีกฝั่งหนึ่งก็มีผู้หญิงอีกฝ้างหนึ่งก็มีผู้ชายก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ผู้ชายก็เห็นผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงก็เห็นผู้ชายคนเดียวมันไม่มีตัวเชียบแล้วในที่สุดเนี่ยพวกนี้ก็จะนึกว่าโลกก็คงมีเฉพาะเราสองคนก็ตกลงบางทีก็หนีตามกันบางทีก็ ตบแต่งกันมีครอบมีครัวเป็นผังเป็นฝาแต่ได้ในเวลาที่เราการศึกษาเรายังไปไม่ถึงไหนก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นชาวนาแต่อย่าลืมว่าชาวนาที่นามันน้อยลงเพราะได้เพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันมีลูก2องคนสามคนก็ต้องแบ่งหน้าน้อยลงในขณะที่รรยจายเพิ่มขึ้นแล้วก็ ต้องมีลูกอะไรติดตามมาปัญหาว่าเธอเอาเงินที่ไหนมาจ่ายวันเธอต้องหาคำตอบไปได้ก่อนนะให้ได้ก่อนว่าถ้าเธอมีแฟนเนี่ยโดยความรู้แค่มหกเธอมีแฟนหนึ่งคนปากท้องของเธอยังฝากพ่อแม่แล้วเธอไปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วไปฝากพ่อแม่อีก เอาแหละสมมติพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยพอสมควรบอเลี้ยงดูกันได้แล้วพ่อแม่ตายทางไงเพราะต้องคิดได้มากเราจะมีทัวเลือกมีพบเห็นมีการศึกษาโดยพบได้เห็นเยอะผู้หญิงก็ควรจะคบพบผู้ชายเยอะผู้ชายก็ควรครบพบผู้หญิงเยอะการตัดสินใจเลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาวันก่อนก็หลานชายก็มา ก็แม่เขาก็ท้อซีที่อยากจะให้ลูกเขาแต่งงานเลยมาก็เตือเขานะฮะก็บอกว่านะคิดดีนะเราแต่งงานเนี่ยหนึ่งเราต้องคือคนคนหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเพื่อนคู่ใจเราแล้วก็เป็นพัญญาแล้วก็เป็นแม่ของลูกอยู่ในคนคนเดียว เธอต้องคาดหวังว่าเราจะได้จากคนคนเนี้ยในสามสถานะแล้วจึงค่อยตัดสินใจแต่งงานไม่ใช่ว่านึกชอบพอตัดสินใจผีพรานตัดสินใจเนี่ยมันโบราณก็เตือนเอาไว้แต่ ง, งานผิดคิดจนเรือนทลายนะปลูกรเรือนผิดคิดจนเรือนทลายแต่ ง, งานผิดคิดจนตัวตาย คือเราเห็นลักษณะความคิดเหล่านี้เราจะเจอบ่อยที่เทวดาก็แสดงความคิดความเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจที่กำมัดเพลิดเพลินชื่นชมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละมันก็สูงสุดแล้วไปเสริฐที่สุดแล้วเทิดาที่ห้อมล้อมตัวเองก็สูงที่สุดแล้ว ซึ่งถ้าเราเทียบเคียงมันก็เหมือนกับความคิดของพระนันทะพระอนุชาพระพุทธเจ้าที่ไปปักใจว่าเจ้าสาวชวนบทกัลยาณีนะมันสวยสุดๆเลยท่านจะต้องศึกไปอยู่กับเธอให้ได้เถอะขาดขาดเธอไม่ได้แล้วชีวิตเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านำไปให้ดูลางลิงที่ถูกไฟไหม้ แล้วก็ดูเทพธิดาดูไปเรื่อยดูเทพดูเทพอักษรดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยแล้วก็ให้ท่านคิดเองคิดเองแล้วก็เอาเอาน้ำน้ำข้าหัวน้าหยอดหัวเองนนสวยไม้สวยไปเจ้าค่ะชอบไหมชอบไปเจ้าข่าอยากได้ไหมอยากได้อ่าประกาที่สองอแลวก็เหมือนเดิมมันหมดละ แล้วก็มันสวยขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันมีข้อมูล น, น้ำหนักอีกด้านเทพอสสอรเนี่ยมันเพิ่มถามมาถ้าเทียบกับชนบทกนนัญญาณีเจ้าสาวของเธอเนี่ยอะไรใครสวยกว่าโอ้ยเทียบกันไม่ได้ไปเจ้าคะเทียบกันไม่ได้หรอกแต่เทียบกันแล้วเนี่ยนางชนบทกัญยาณีก็เหมือนเหมือนเหมือนลิงตัวเมียที่ถูกในป่าที่ถูกไฟไหม้ที่นั่งอยู่บนตอไม้ที่เราผ่านมาเนี่ย เทโอสอนเหล่านี้ก็สวยมากจนไม่อาจเทียบเคียงก็ได้นั้วนางเทโอสอนก็สวยแตกต่างกันไปเรื่อยเรื่อยวนต่กข้าไปเรื่อยเรืเลยแล้วที่ข้ามันเป็นตัณหาเป็นอุปาทานและเป็นภพคือมันจะยึดอยากแล้วก็ยึดอยากแล้วก็ยึดตลกเป็นภพคือเป็นความรู้สึกเป็นของเราอยู่ภายในใจอ่ะเราอยากได้อยู่ภายในใจ มันก็เหมือนก็วน้ำบ่งนามแล้วเสร็จแล้วก็ต้องดึงน้ำออกพอมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าก็ทรงมีวิธีที่ให้ท่านเริ่มคิดที่จะดึงออกดึงนามออกมาโดยเอาใช้ขัดยะํามานะมานะในฐานะที่เป็นราชกุมารเป็นกษัตริย์เสียเชิงเอาชนะใจตัวเองขนาดนี้ไม่ได้เสียเชิง และในที่สุดพระเจ้าก็รับประกันนะะรับประกันว่าเอา น, นันนันนันทะถ้าอย่างนั้นเธอตั้งใจประพฤติประมาจันนะแต่ฐาคตจะรับประกันให้เธอได้ครอบครองนางเทพอัปสรทั้งห้าร้อยครับตอนนั้นก็เพลินนะนะตอนนั้นก็เพลินแต่เสร็จแล้วพระเจ้าก็มีพิธีที่มาเล่าให้พิสุฟังเพื่อนพิสุก็ล้ออันนี้ลูกจ้าง แต่ น, นันทาเป็นลูกจ้างพระศาสดาพระศาสดาจ้างให้บำเพ็ญพรหมจันทร์เพื่อจะได้นางอักสอนเป็นบริวารอกมันก็เขินอายตายเลยเสียเชิกหมดในสุดทักก็ฮึดสู้่ปฏิวัติสามวันบรรลุมรรคผลเป็นพระอันดูของท่านแต่เสร็จแล้วก็มากราบหลวงพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ให้ปฏิญาณเอาไว้ว่าจะประทานนางอักษร ค่าพระองค์ขอคืนก็คือปฏิญาตตรงนี้ไม่รับแล้วพระเจ้าก็เราสั่งว่าเราก็รู้แล้วอันนี้คือเราจะเห็นว่าสภาพจิตมนุษย์เป็นอย่างไรและเราสามารถจะดูแนวความคิดแบบเทพประมุตรงนี้มันจะมีอยู่เยอะเลยในในโลกมนุษย์แม้ในแต่ละวันเนี่ ย, ยถ้าเราคิดเออมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้นพอ แต่กิเลสมันเข้ามาเนี่ยเหตุผลร ต, ติบัญญัติมันเหลื่อนมันจากมันคลายมันไม่มีพลังมากพอต่อการจะ ว, วินิจฉัยตัดสินเลือกเฟ้นในสิ่งที่ถูกต้องต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพบูรในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี